ยอมจะทำให้ดุงเหยิงอย่างน้อยก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันยินมีรายที่ขวางห ม, มู่เพื่อนหรือวงคณะเข้ามาแทรกด้วยแล้วก็กระเทือนกันหมดทั้งวัดจึงต้องระมัด ร, ระวัง เหล่านี้เป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นคาสิ์ต่อธรรมและต่อตัวเองมานานแล้วถ้ายังเห็นตัวว่าดีอยู่ในขณะเดียวกันก็ต้องเห ย, ยียบย่มหมู่เพื่อนเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันลงไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกก็มีเพราะความเข้าใจว่าตัวดิบตัวดีตัวเฉลียวฉลาด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 สิ่งที่เป็นภัยรู้อยู่แล้วว่าต่างองค์ต่างมาชำลนะพิษภัยภายในจิตใจของตนให้ดูจิตใจตนอื่นตนก่อนอื่นอย่าดูสิในใดว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีนอกไปจากผู้ที่คึกขนองอันเป็นตัวทีิเลตนี้เป็นผู้ปรุงออกไปว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีตัวผู้ปรุงนั่นแหลตัวคึกตัวขนองตัวเลว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 เมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตายอยู่ทุกอาการที่เคลื่อนไหวของจิตและของกายวาจาพระมาจำนวนมากวี่ตั้งใจศึกษาจริงจริงก็มีมาเก่งๆก่งกางกางให้ขัดหูขัดตาขัดวงคณะมันก็มีมาแบบอวดดิบอวดดีอวดรู้อวดฉลาดทั้งทังี่โง่ ô, เต็มตัวมันก็มี ความอวดดีนั่นแหละคือความโง่ตามหลักธรรมความพิจารณาสอดสองดูตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นคือความฉลาดเริ่มเป็นรากเป็นฐานก่อตั้งความฉลาดขึ้นมาด้วยวิธีการพิจารณาสอดสองตัวเองอย่างนี้ในใชายความฉลาดจะเกิดขึ้นเพราะความสัง่งขันมั่นหมายความชิด ตำนิจริงนั่นชมจริงนี้อยู่ตลอดเวลาดังที่เคยเป็นมาแล้วประจําหัวใจไม่เว้นแต่ละดวงเป็นอย่างนั้นนั่นหาความฉลาดไม่ได้ว่านเอาฟื้นเอาไฟเพราะคําโง่ของตัวที่สําคัญว่าฉลาดนั่นแหละเข้ามาเผาตนถึง ห, หาอัธหาธรรมคือความสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะตัวนี้ตัวคือตัวขนองไม่ได้ถูกบัณฑรลงบ้างเลยมีแต่การเสริมไปคล้อยไปตาม โดยเจ้าตัวไม่รู้ยังเพลินหรือภูมิใจในความคิดความรู้ของตนเข้าใจว่าชน า, าไปซอีกนั่นยิ่งโง่หนักเข้าไปผู้ปฏิบัติให้คิดให้ขูดให้ค้นลงตรงนี้ถ้าอยากจะเป็นผู้ฉลาดตามหลักธรรมของพระพเจ้าจริงๆและเป็นฉลาดอันเป็นสมบัติของตนโดยแท้จริงแล้วให้ค้นลงที่นีอยาประชิดอะไรกับผู้อื่นผู้ใดมากยิ่งกว่าคิดถึงเรื่องของตัวเอง เพราะการสร้างเรื่องสร้างขึ้นที่ใจตัวเองไม่ได้สร้างขึ้นจากผู้อื่นผู้ใดตอนอื่นมีมากเขาทลายมันยิ่งเลอะเลอะเถอะเถอะนะผู้ปกครองอกจะแตกผู้ที่เป็นอัดเป็นธรรมซึ่งอยู่ร่วมกันก็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 หมูมีฟังให้ถนัดชัดเจนด้วยความจดจ่อมีสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์จากการได้ยินได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือได้เห็นมาอยู่เฉยๆมันก็นไม่ได้เรื่องอะไรจิตหาความสงบให้ได้ก็เพราะความคึกขนองของจิตไม่มองดู จุดนี้เป็นสำคัญมันคึกขนองอยู่ตลอดเวลาเพราะเราบวชบวชจะร่างกายโกนผมกวนขี้นุ่งเหลืองกิเลสมันไม่ได้บวชมันเคยเป็นค่าศึกต่อทําอยู่แล้วพระนบวชมันก็ยังเป็นค่าศึกและเป็นค่าศึกตลอดไปถ้าแก้หรือ ป, าปราบปรามมันไม่ได้เดหล่อย่าภูมิใจในการบวชของเราเพียงเท่านั้น จะเกิดประโยชน์อะไรกิเลสไม่ได้ทะลอกปลอกเปิดออกไปสักนิดหนึ่อเพียงยินดีในการหวงตนถ้าไม่ถากไม่ถางกิเลสไม่ฟาดฟันกิเลสลงไปมาลายไหนก็ตามาเข้ามามาันขวางตาจนได้ขวางหูจนได้เนะี่ย มีมากมีน้อยผวมผสมเสมกันเข้าปลายใหญ่ เ, เงนินมีตั้งแต่คำว่าพระเต็มวัดคำว่าการชำระหรือการฆ่ากิเลสให้บาบางภาจิตใจจะไม่ปรากฏแล้ว เมันวุ่นวายสันดีมีมากเท่าไรก็ยิ่มยุ่งมากุูดมากบินทมาตต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองบินทบาตเพื่ออะไรท่านบอกว่าบินธบาตเป็นวัดวัดของการบินทบาตคืออะไรก็คือการประกอบความภาคเพียนเพื่อชำระาศาสร์สางจิตใจของตนเป็นโดยลดับทั้งไปทั้งกลับวิยาบุใดก็ตามมีหน้าที่ที่จะทํางานของตนอย่างนั้น โดยสม่าเสมอจึงชื่อว่าเป็นวัดเป็นความเพียรเราแต่ชื่อมาพูดว่าความเพียรตั้งธุระก็ได้ตั้งชื่อไม่เกิดประโยชน์วลเลดหัวเรกากวปะกกานแนะนำสั่งสอนมู่เพื่อนมานี่ก่อนนานแล้วควรที่จะรับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการได้ยินฟังแล้วไปนํานําไปปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขประเด็นอย่า ง, างไรพอให้เห็นเหตุผล ขึ้นมาภายในใจิตใจอันเป็นสมบัติของตนบ้างแต่ไม่ปรากฏข้าวอาจจะเป็นดังที่เป็นอยู่นี้ทีเีดตเดียวศาสนาเดียวแหลมเดียวแหลมที่ไหนไม่เดียวแหลมที่จิตถูกพิเดตมันรีดลงไปจนเดียวแหลมจนต้องมีศาสนาติดพันติดใจเรายังภาคภูมิในเพศของเราเอยู่ วิเลศไม่มีแต่ต่อยมันไม่ได้คุยอ่ะผู้ปฏิบัติธรรมมีแต่คุย พ, พ, พร่ำพร่ำวิเลศไม่คุยจะต่อยเอาต่อยเอางายลงงายล ง, ย, ง, ย, งยังไม่รู้เรียนให้ถึงถึงวิเลศเราจะได้ทราบว่าวิเลศมันละเอียดละออกขนาดไหน ม, มีความแยบขายเพียงไหนมันจึงได้ครอบหังใจขอ ง, ขงสันโด การไปกันมารู้สึกว่ายุ่งมากวัดป่าบรรตาบเวลานี้ไม่ทราบองค์ไหนเข้าองค์ไหนออกหลังไลากันไปหลังไลากันมาวันนี้ส่งองค์นี้วันหน้าส่งองค์นั้นวันนี้ส่งองค์นั้นส่งองค์นี้ยุ่งไปหมดเลยมาคอยมาส่งมาเสียกันนั่นเป็นยังไงกรรมฐานเราเงี้ยถึงเป็นอย่างนั้นส่งไปโน้นและส่งไปนี้ขาไม่มีเหรอ มีขาตั้งแต่พระพุทธเจ้าและสาวกพระข้า้งพุทธการเลยทุกวันนี้เป็น้าคขาด้วนไปหมดแล้วเหรอมันถึงได้ตามส่งตามเสียกันนั้งหนาเพื่อความสะดวกสบายแล้วให้ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ต, ต่อวัดต่อว่าแก่ปและต่อประชาชนผู้คอยรอคอยรับส่งเสียมันได้เรื่องอะไร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 มันต้องปรากฏผลอย่างน้อยความสงบเย็นใจต้องมีเท่าที่จิตหากความสงบไม่ได้เราเห็นโทษของมันไห ม, ไมว่าอะไรที่เป็นเครื่องจีดขวางอยู่เวลานั้นทำไมใช่กิเลสจะเป็นเรื่องอะไรทำแล้วไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายไม่ลำ่าน ต้องสงบเย็นต้องฉลาดในการตดเครื่องตัวเองจากอารมณ์ของตัวนั่นแหละที่เกเลตก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาต้องมีทางลบดีกิกตัวกันจนได้ถ้าผู้ตั้งใจปฏิบัติอมีแนต่ชื่อพระกรรมฐ า, านหน้าสลดสังเวชจะตายไปเทับเทศเอายัง หมดน้ำหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยโดยความตั้งอกตั้งใจอยากให้หมู่คณะได้รู้ได้เห็นทั้งโทษทั้งคุณเทศอย่างถึงใจทุกอย่างเพื่อจะได้เป็นกำลังใจประเพื่อปฏิบัติแล้วทำไมจิตใจมันถึงทะเลถลายอยู่งนั้นมันไม่จดุดไม่จ้องไม่จับให้ติดเกาะไม่ติดพลาดนู่นพลาดนี้ทะเลถลายไปเลย ให้ในเรื่องได้นราววันนี้กับวันนี้บันหน้าก็เมื่อแจ้งเท่านั้นเองยิ่งเรศไม่เคยพี่คลายออกจากจิตใ จ, จเลยแ ล, แล้วเราจะหวังเอามะขุนนี้ผ่านที่ไหนอยู่ก็ม่มีความหวังไปก็มีความหวังเอียบท่ต่างๆหาความหวังพันธตนไม่ได้หาที่ยึดให้ได้เราหวังพึ่งอะไรปัจจัยทั้งซีก็เคยพูดแล้ว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 ที่พึ่งของจิตให้เป็นที่อุ่นหนาฟ้าข้างให้เป็นที่แน่นหนามั่นคงเป็นความเฉลียวฉลาดอย่างนี้นสร้างไม่ได้อยู่แล้วจะทํำยังไงหาที่อบอุ่นภายในตัวไม่ได้จะไปหวังเอาความอุ่นจากที่ไหนอดีตอนาคตก็อยู่กับปัจจุบันเป็นหลักสําคัญถ้าสร้างหลักปัจจุบันไม่ดีแล้วอะไรก็เลวไปทั้งนั้นเน่ย อนาคตมันจะยืดยาวขนาดไหนก็ยืดยาไปด้วยความทุกข์ความลําบากดังจิตที่แบกหามของทุกข์และสาเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวพิษต่อภายได้แก่กิเลสดู่เวลานี้เี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศสถ า, านที่นั้นๆมันก็เป็นสถานที่นั้นไม่ใช่จะเป็นสิ่งที่มาปลดเปลื้องทุกข์ออกจากจิตใจเพราะกิเลสสร้างขึ้นนี้ให้เราได้เราต้องเปื้อง สิ่งที่มันสร้างขึ้นปรดแก้สิ่งที่มันสร้างขึ้นปราบปรามทำลายสิ่งที่มันสร้างขึ้นแล้วทกุก็จะดับไปดับไปถ้าไม่มีผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลามันยี่สิบสี่ชัว่วโมง นั้นเป็นยางไงการปฏิบัติต น, นไม่มีงานอะไรพยายามที่สุดที่ใช่หมูกเพื่อนได้รับความสะดวกในการประกอบความภาคีแต่มันทำไมไม่เห็นผลยิ่งจะปล่อยให้ทำงานนั้นงานนี้แล้วมันเท่านั้นแหละจมไปเลยพยายามระมัดระวังรักษาที่สุดอย่างตอนเย็นๆวันนี้เขาประมาณิม่ม ไปฉันในบ้านเราเราก็ไม่ยอมให้ใหพระเพราะเรารักษาพระออกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมีแต่เรื่องขาดทุนศูนย์ดอกกระโดดหนัไม่ใช่เรื่องที่จะทำความเจริญรุ่งเรืองให้แก่จิตใจของพระผู้จะทำประโยชน์ทั้งตัวเองและแป่โลกทั่วไป หน้าที่ของเราผู้เป็นหัวหน้าและพยายามคิดเต็มส ต, ติกำลังความสามารถเพื่อเป็นผลประโยชน์และความสะดวกแก่หมู่เพื่อนเราไม่เคยลดละเราผู้ที่มาอาศัยทําไมจึงไม่เกิดประโยชน์บ้างตามเจตนาที่มุ่งหมุบหวังให้หมู่เพื่อนได้รับประโยชน์เพราะการประกอบหน้าที่การงานทั้งตนด้วยความสะดวกไม่มีอะไรมายุ่งกวน แ, แทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ทําไมมันจึงไม่ปรากฏ สัจธรรมก็แบกกันอยู่ทุกวันนี้แบกอะไรท่านไม่ใช่แบกสัจธรรมที่ น, นี่กายมีกิจเท่านั้น อยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนเล่าเรื่องอัดเรื่องทําให้ฟังผลของการปฏิบัติเป็นอย่างไรมันก็พอจะมีแก่ใจเพื่ออะไี่แกนให้ทราบและเป็นกาลังใจและทางที่ถูกต้องแก่ผู้มาศึกษาแลผู้เล่าให้ฟังมันมันไม่ได้เรื่องในราวอะไรอยู่กันไป ดูด้วยขตมขนมอาหารหวานข่าวดูด้วยความฟุ้งเฟ้อแบบโลกๆนั่นก็เป็นโรคกันหมดเลยนันเป็นธรรมที่ไหนธรรมแท้ไม่อยู่กับสิ่งเหล่านี้ธรรมแท้ต้องอยู่กับธรรมวิริยะธรรมขานติธรรมสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่กิจธรรมจะเกิดจะมีมีที่ตรงนี้ไม่ได้มีเพราะสิ่งเหล่านั้น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 ในนรกทั้งเป็นภายในหัวใจนี่ยังไม่ทราบอยแล้วจะไปทราบที่ไหนดูลงไปที่ใจนั้นอ่ะมันจะเห็นเรื่องราวมันเป็นฟืนเป็นไฟเผารนอยู่ตลอดเวลาเพราะที่เหลือไม่ผัาผู้ใดให้ร่มเย็นนี่จะพาให้ร้อนจอลงไปตรงนั้นมันก็รู้ยิงความขัดขวางกันเล็กๆน้อยๆก็ว่าเป็นความลําบากระบิดไปเสียนี่ที่นั่น บุกเบริรดเพลิกถอนไม่ได้ในสิ่งที่มันปิดบังหุ่มห่อภายในใจลงก็ถูกมันข้าบไปตลอดเลยละ่ะคิดสงบเป็นยังไง ควสงบกับความเย็นของจิตมันก็อยู่ด้วยกันจิตไม่สงบมันรู้อยู่ทุกคนเพราะสาเหตุอันใดมันจึงไม่สงบแต่พยายามทําจิตให้สงบด้วยความรู้สับพยายามของตนทํำไมมันทําไม่ได้การบังคับสติให้บังคับงานการตั้งสติเพื่อบังคับงาน ที่จะให้ผลเกิดขึ้นมาตามลําดับตำดานั้นทํําทาไมจึงจะทนทุกข์ไม่ได้เพียงการตั้งสติเฉยเวลาเราแบกทุกข์เพราะกิเลสมันสร้างขึ้นมาทําไมเราแบกได้หามได้แบกได้จนตายพิจารณาสิการที่จะแบกทุกข์เพราะการประกอบความเพียรที่จะปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวทุกข์สาคัญออกทําไมมันมันไม่ยอมรับจิตมันเป็นป่อยอะไรก็เพราะมัน สู้อุบายของกิเดชความกระซิบกระซาบการเสี่อมสั่งของกิเดชไม่ได้นั่นเองมันจึงเป็นความเพียรขึ้นมาไม่ได้มันมีแต่ชื่อตั้งใจฟัดกันจริงๆแล้วมันต้องรู้ไม่ไปอื่นไม่เป็นอื่นเพราะทำนิตรัไดไว้ชอบแล้วมา 2,500 ปีเฉพาะาศาสดาองค์ของปัจจุบันของเรา ไม่มีผิดเพี้ยนไปไหนเลยกลงแน่วต่อความจริงปัญญาก็มันคิดไม่ได้ลัวแต่ทุกมันเด็ดไม่ได้จมันถึงไม่เห็นความแปลกประหลาดไม่เห็นกำลังของตัวเองเมื่อไม่ปรากฏกำลังตัวเอง พอที่จะต่อสู้กับพิเลศได้แล้วมันจะมีความกล้าหาญในการต่อสู้กับพิเรได้อย่างไรมันควรที่จะขุดจักคน้นจับคิดแพงแตนแปล ง, ปล ง, ปล ง, ปลงหาความสุขความทุกข์ความลำบากตำบนด้วยเหตุด้วยผลเพราะความเพียร น, นี้ไปบ้างผู้ปฏิบัติเา่าความอยู่มาอยู่มาสุขมาทุกมาดัางที่เป็นมานี้มันก็ไม่ผิดอะไรกับโลก สุขให้สุขแปลกโลกเพระให้ทุกแปลกโลกนะเอาจนกรอกให้มันจนแปลกโลกเขาเวลารอดตัวออกมาก็ให้มันเห็นความแปลกจากโลกเขามั้งทีมันถึงจะมีความแปลกโลกเขาไม่งั้นก็เหมือนโลกทั่วไปถึงข้าวจะต่อสู้ก็เอาให้เห็นเนตุเห็นผลเอาทายเป็นเดิมพัน สติปัญญาไม่ถอยในขณะที่จนตอกเป็นมุมด้วยความทุกข์ความลำบากประการไหนก็ตามมันขุดค้นกันลงไปแล้งที่เกิดอธิบายให้ฟังแล้วล้วนตั้งแต่ได้รับผลมาแล้วทางนั้นไม่ใช่มาพูดเฉยๆโดยทางเหตุแล้วผลไม่ปรากฏมันต้องมีหนักมีเบาบ้างนกะปฏิบัติมันถึงจะเห็นความเล่นรับของกิเลสและธรรม ปรากฏขึ้นในตัวแล้วพอจะเชื่อตัวเองความสามารถของตัวเองได้บ้างและได้โดยลําดับจนกระทั่งถึงเชื่อความสามารถตนได้เต็มที่ไม่ยอมแพ้เรื่องทเงืเมื่อมีกําลังพายในจิตใจแล้วมันไม่ยอมแหละมันถึงขั้นจะสู้กันให้ตายนั่นคือคือเชื่อความสามารถของตัวเองนั่นแหละมันถึงไม่ยอมไม่ยอมแพ้ จะอาให้ชนะท่าเดียวอาให้ราบท่าเดียวที่เล็ดจะมาเราเอาเราให้ราบไม่เอาราบเถอะถ้าลงยังมีชีวิตยอยู่นี้จะราบไปไม่ได้นอกจากที่เด็ดราบอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก่อนนั้นเป็นได้เมื่อไรแต่เวลามันฝึกฝนอบรมเข้าไปมีความชำนีิชานาญเข้าไปบังเข้าเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลผลก็ปรากฏขึ้นมาอ่านั้น ความอยู่ใต้อำ น, นาจของกิเลสกับความหลุดพ้นจากกิเลสมันต่างกันอย่างไรมันได้เห็นในตัวของเรานี้ความอยู่ต้อำ น, นาของกิเลสก็อยู่แล้วด้วยกันไม่สงสัยความหลุดพ้นจากกิเลสยังไม่ปรากฏก็เอาให้มันเห็นเลยแนวทางมีอยู่อัตราอาวุธคือธรรมประเภทต่างๆ ที่จะประหาทหารกิเลสมีอยู่กำลังวังชางเราก็ไม่ใช่คนอาภัพนี่เพอที่จะไม่มีกำลังวังชาต่อสู้กับมันเอาให้เห็นนีเจิต ด, ดวงนี้แหละขนาดที่อยู่แต้มหน้าของกิเลสกับที่ผ่านพ้นจากกิเลสไปโดยสิดเชิงแล้วจะต่างกันอย่างไรถาไม่ต้องถามใคร จะเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจปกติไม่ว่าอียาบทญใดขณะใดเป็นเรื่องที่อยู่ตามนหน้าของจิเอกทั้งหมวลมีผลอย่างไรบ้างเราก็ทราบอยู่แล้วแล้เอาให้ในหลุดพ้นจากสิ่งนี้ด้วยความเพียรของเราของวีระบุุรบุุษผู้ฆ่าตายในสงคราม ระหว่างพิเลศ ก, กับธรรมหรือกับจิตต้องได้พบได้เจอกันวันหนึ่งถ้ามีความแข็งไม่อ่อนแอทอดแท้เล้วไหลไปเสียอย่างเดียวั้งาไหร่ฐานที่รบก็อยู่ในวงการกับจิตนี้ บังคับด้วยที่จิตมันจะไปไหนไม่ให้มันออกไปจากกายกกาครับจิตนี่บังคับธรรมดาไม่ได้กับบังคับเวลามันเกิดทุกข์เอาหามันจนเจอมันจะได้อุบายด้วยวิธีใดได้ในระหว่างกายกับจิตนี่แหละไม่ได้ที่พราทุกข์กับสมุทัยก็อยู่ที่นี่มักห้ามหันกันลงที่นี่นิโรธความดับทุกข์จะไม่ปรากฏได้ยังไง ผลเคยปรากฏเพราะวิธีการใดเราก็จำเอาไว้นำมาใช้เสมอเวลาที่จะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องของปัญญาเอาพลิกไปจึงเรียกว่าผู้หาความสลดัดไม่งั้นไม่ทันคนมายาของกิเลสเอาให้ทันด้วยอุบายพลิกแปลงของสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติที่เคยเหนือนกิเลสอยู่แล้วเอาให้เหนือ นำมาใช้ให้เหนือที่เหลือนั้นราบไปจากจิตใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่เถอะพ้นแล้วจากโทษทั้งหมวนจากทุกทั้งมวียังขันกระดุกกระดิกติดตามสภาพของมันมันผิดแปลกอะไรคำถามริงเหลนขาด งวลระของ ม, มันก็สลายลงไปก็ท่านั้นรู้รอบหอกคิดมันเหมือนแล้ววิถก ว, วิจารณ์อะไรกับดินน้ําลมไฟเท่านีน้มันเป็นของกระเสริดอายสิ่งอันนี้มันมีอยู่ทั่วไปน้ําก็ตามที่ไหนอยู่ในท้องเรายังมีตามท้องน า, นตานงตามหนองตําบึงมีพิเศษอะไรดินก็เหยียบกันมาอยู่นึงมีนไม่มีเศษอะไรลมลมหายใจก็มีลมข้างนอกก็มี ไฟก็มองเห็นนันมันนี่เสียใจพอที่จะหลงกั น, นังหนาเมื่อเวลามันเข้ามาเป็นก้อนอนี่มันตื่นอะไรก้อนนี้กับเป็นวิบากของกิเลสที่มันปั้นขึ้นม า, าจะมาหลงก้อนของกิเลสอีกก้อนวิบากที่มันปั้นขึ้นมาอีกแล้วเราจะรู้ทําได้อย่างไรคลี่คลายก้อนของกิเลสที่มันปั้นขึ้นมาด้วยความจำตอบนี้ที่เห็นตามหลักความจริงนี้คุดลงไป นังหอกกระดุกมันผิดที่ตรงไหนดูสินางหอกกระดุกนี่ยะทำกันว่าแต่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเราว่าเขาว่าคงของเถื่อน ง, งานไม่งามที่ไหนมันค้านกับทำ ม, มั น, น, นยังคำทีแล้วยังเฝืนไปเชื่อสิ่งที่มันค้านต่อทำสิ่งที่จำปองอย่างนั้นเราจะหาความจริงมาจากที่ไหนหนังใครมันก็เหมือนกันไม่ว่าหนังหญิงหนังผ่า มันน่าหลงน่ารักที่ตรงไหนนังคอยลุกอยู่เลยให้ชื่อพระอย่างนั้นความสัมผัสสัมพันธ์ก็ก็เราก็สัมผัสสัมพันธ์กับหนังเราอยู่ตลอดเวละวิเยษวิสูอะไรหนังนั้นก็สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาในของแต่ละคนละสัตว์นึ้นแล้วก็มาสัมผัสสัมพันธ์กันเพื่อเอาความวิเศษอะไรทั้งหนังสัมผัสสัมพันธ์หนังเอาวิเศษมาจากไหน ถ้าอยากวิเศษทามันเป็นวิเศษจริงๆก็สัมผัสสัมผัสหนังเรามันก็วิเศษขึ้นมาแล้วแั้วคนอื่นก็เหมือนกันเขาก็สัมผัสสัมพันธ์ของเขาอยู่ตลอดอยูละเล้วก็สัมผัสสัมพัสกับของเรานั่นกันหนังต่อหนังวิเศษตรงไหนแล้วยิ่งเข้าไปเนื้อเองก็ดูนั่นดูไม่ได้เลยนี่ความจริงเปิดออกมาให้เห็นเลยถ้าจิตปัญญามีอยู่ค้นลงไปจะมันเห็น ยังลงไปจาะลงไปพิจารณาไปแม้มันไปปักปันเศษแดนเอาอีกต่อไปอีกอย่างที่มันเคยเป็นมาแล้วว่าเป็นสัตว์วบุเป็นบุคคลเอาลงไปตามความจริงที่มันมีอยู่จริงอยู่นี่ขุดแล้วขุดเล่าอยู่นั้นจนความจริงนี่ปรากฏเด่นขึ้นมาภายในใจความปลอมมันก็จางไปจางไปจนกระทั่งหมดสิ้นไปเราจรึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ความจําปลอมจำปลอมมันลบได้ ความจริงลบไม่ได้เป็นในเพียงเราไม่รู้ที่ขั้นที่จะพิจารณาอย่างนี้ก็พิจารณามาเรื่องพิจารณาเรื่องทุกข์เวลามันจนกรอบจนมุมเรื่องความทุกข์บีบคั้นเกิดความทุกข์ลาบากในธาตุในขันธ์ จะเป็นจะตายอา้าวอะไรตายดูว่ามันเห็นความตายจริงอะไรมันตายปิดผู้ที่กลัวตายมันตายไหมโค้นกันลงเห็นทัดจริไม่มีอะไรตามีแต่ความหลอกออหลอกเจ้าของใหตต้ตกใจให้กลัวเป็นกลัวตายตื่นลมตื่นแรงของกิเลสมันหลอก เวลาพิจารณาก็เป็นจริงก็สักแต่ว่าเท่านั้นเพรว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้กายกขาว่าพูดถึงขั้นกายก็สักแต่ว่ากายทางเนื้อเย็นกระดูกเป็นต้นมันก็มีจริงขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแต่ทุกยังไม่เกิดทุกดับไปแล้วมันก็มีขึ้นมาเหนียงใจซึ่งเป็นตัวรู้มันก็ลู้มันเมืนเป็นที่เพียงมันหลงหน้าของสิ่งที่หลอกมันเองเวลาพิจารณาเข้าจริงๆก็ต่างอันต่างจริ เนี่ยถ้าแยกประทานความจริงอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเสีย แ, แยกประท า, ตา น, นตรายักษ์จริงทุกคนสามมันก็รอบตัวอยู่แล้วทุกคนเต็มตัวอยู่แล้วทุกค น, ไ ม, กนกมไม่มีอะไรบกพร่องในตรายักษ์ทั้งสามี่ทำไมไม่พีนาเปิดดูให้เห็นท่านเราจะได้ต่อยได้วางลงถูกหลักความจริงแล้วจะได้สบายหายห่วงกันความห่วงความห่วงก็คือภาระผูกพันกดท่วงรับความทุกข์ความบาก ทายเดียวเท่านั้นหาความสุขจากความห่วงความห่วงเหล่านี้ไม่มีเลยทําไมจึงฟื้นห่วงฝืนห่วงฝืนแบบฟื้นหามถ้าว่าเราเป็นผู้ฉลาดหาความฉลาดทําไมจึงต้องไปแบบไปหามในสิ่งนี้ไปตื่นเงาของกิเลสหลอกหน้าพิจารณ า, าถึงความจริงมั น, นจะไปหลงอะไรจะไปยึดอะไรต่างอันต่างจริงมันก็สามาย นี่ทางเดินแล้วผลก็ปรากฏขึ้นตามสาเหตุนี่แหละนี่เป็นเป็นเหตุเราพิจารณารู้อย่างนี้ความปล่อยออกมาแล้วอยู่สบายหายกังวลก็เป็นผลภาวันตั้งอกตั้งใจมาคือปฏิบัติอย่าให้นักอกนักใจ เยวจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวนะอยู่เฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดประโยชน์อะไรอดี๋ยวไปคิดกับสิ่งใดๆในโลกนี้ว่าวิเศษกว่าธรรมเด๋ยไปตื่นเต้นนั่นแหละเรื่องของกิเลสให้รู้มันมันหลอกอย่างนั้นแหละหลอกอันนั้นจะดีอันนี้จะดี ตื่นในสิ่งนั้นตื่นในสิ่งนี้ตื่นอยู่ไม่หยูดไม่ถอยก็คือมนุษย์เรารู้จริงๆแล้วมันไม่ตื่นอะไรมันก็ไม่ตื่นรวมสรุปความแล้วขึ้นชั่วสมมุดสามแดนโลกธาตุก็เป็นสามแดนโลกธาตุตามความจริงของเขาแย่นแหละจิตก็เป็นจิตล้วนๆรู้ล้วนๆปล่ลอยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเลย อ, อะไรจะมาติดจิตอะไรจะมากดทวงจิต เ, เมื่อจิตไม่ไปแบบไปหามแค่เองเท่านั้น นล้อะไรจะสบายยิ่งกว่าจิตที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยสมบูรณ์แล้วเือนี้เท่านี้ในสามแดนโลกฐานนี้มารวมอยู่ที่จิตผู้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงดังนี้ฉะ น, นั้นเป็นความนิเศษเนื้อสิิงใดๆ เขายังไม่ได้พูดใครมายัาง ไ, ไงไปยังไงมายังไงเพราะสุขภาพแล้วก็ไม่ดีแล้วภาระกอมาก ว, วันหนึ่งวันหนึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนั้นกับโลกไปทำอะไรหาเวลาเป็นตัวของตัวแทบไม่มีไม่งานหนึ่งก็ต้องงานหนึ่งประจํำตัวอยู่อย่างนั้นหมูเพื่อนกับปล่อยให้พาวนาตั้งหน้าตั้งตาพาวนา อะไรจะงานสําคัญยิ่งกว่างานภาวนานะดูจิตเจ้าของมันคิดไปไหนอย่าดูรอกรูปออกนอกรูปนอกทางอย่าคาดอย่าหมายไปเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเราเคยมาพอแล้วกับเรื่องของกิเลสเดีดนะ๋ยวนี้เราจะพยายามฝึกฝนรวมจิตใจของเราให้ซึมซาบในอดในธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงโดยลําดาับลาดับจึั้นื่องมีความสุขกอนสบายทางด้านจิตใจซึ่งผิดกับความสุขในด้านใดทั้งนั้น วันนี้นนเห น, นื่อยท่านปัญญาอธิบายหน่อยได้ไัม